กราบขอโอกาสพระแม่คุบาอาจารย์นะครับนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่พิธีการถวายตัวนะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับปฏิบัติคำว่าปฏิบัติพอเริ่มปั๊บต้องเอาไปถือตามไปปฏิบัติตามขอสิ้นปั๊บได้ข้อปฏิบัติสิ้นข้อหนึ่งข้อสองข้อสข้อสข้อ5ข้อกข้อข้อ8รวมทั้งหมดเป็น9ข้อทั้งของสมณเณรนะ ถ้าเป็นของสามเณรเป็นเก้าข้อข้อข้อเจ็ดกับข้อแปดรวมกันอพอรับสินปั๊บเราต้องเราต้องปฏิบัติต้องวีรัตต้องงดต้องเว้นทันทีไม่ใช่สักเทวาขออืมแล้วก็องค์สินนั้ น, น, นเราต้องรู้เรื่องแก้เว้นอะไรบ้าง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 นะโบตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาบุธังสระนองกัจฉามิพุธังสระนองคัจฉามิอามังสระนองกัจฉามิธรรมังสระนองคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนองคัจฉามิลุติยัมปิบุธังสระนองกัจฉามิลุติยัมปิพุธังสระ ดุติยามปีธรรมังสระนองกัจฉามิดุติยามปีธรรมังสระนอง a ัจฉามิดุติยามปีสังขังสระนองกัจฉามิดตยามปสัสนองกัามตติยามปีบุตทางสระนองกัจฉามิตตยามปีุทางสรนองกัามิตติยามปีธรรมังสระนองก c จฉามิ อัทธิยมปีธรรมังสรนองกชามีตัทธิยมปีสังขังสรนองกชามีตัทธิยมปีสังขังสารนองกชามีสรนกัมมนองนิตติตังอะมะพันเตปานติปาตาเวรมณีสิกขะปังดังสัมมิยามีปานติปาตา เวรมณีสิกขาปะทางสัมาธิยามีอดินนาดานาเวรมนุสิกขาปังสัมาติยามีอธินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาติยามีอัปบรามาจาริยาเวรมนุสิกขาปังสัมาติยามีอัปบรามาจาริยา เวรมณีสิกขาปะทางสัมาติยามีมุสาอาวดาเวรมณีสิกขาปะดังสัมมติยามีมุสาอาธาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาติยามีสุราเมรยะมจัปมาดัตถานา เวรมนุยสิก้าปังสัมาดียามีสุราเมรยักษ์มัจจาปมาทัฏานาเวรมนุสิก้าปทังสัมาดิยามีวิกาลโภจนาเวรมนุยสิก้าปังสัมาดิยามีวิกาลโภชนา เวรมะนีสิกขาปะทางสมาทิยามีนจักีตวาดิตวิสุกดัสนะมาลากัรถาวิเลปนาธารรมันดานะวิภูสนาทอนาเวรมนุยสิกขาปะดังสมาทิยามีนัจักีตวาดิตะวิสุกทัสนะ มาลาคันทะวิเลปะนาภาณะมันดณะวิภูสนทนาเวระมณีสิกขาปะทางสัมาติยามีอุจจาสยามะมหาสยนมาเวระมณีสิกขาปะดังสัมาติยามีอุจจาสยามะมหาสยามา เวระมานีสิขาปะทางสั ม, มาทิยานีมานอัตสิขาปานสเลนะสุะ ต, ติั<า>สเลนะภะสัมปะด า, าสเลนะนิบุติัตตัสมาสลังวิโสธเยาครับเปลี่ยนเชือกตัวแทนยกผ่านขึ้นนะครับ ใน่าพนมมือยกพายกันนะครับครับเชนนั่งประเพียบครับขอผลสำเร็จจงเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนด้วยเหตุที่เราไม่ได้กินและนอนก่อนและนินเราจะตั้งใจสร้างเหตุเพื่อให้ได้มาซึ่งผล อย่าลืมว่าเราสร้างเหตุมากเท่าไรผลมันก็ได้มามากเท่านั้นผลจะเกิดได้เท่ากับเหตุที่เราตั้งใจทำไม่ใช่สบล่องและปลอยได้ไม่ใช่ศพล่องและปล่อยได้แต่เรื่องของผลทางด้านจิตใจนั้นมันจะให้ผลร้อยเท่าพันทวีมันจะให้ผลร้อยเท่าพันทวี เรื่องผลทางด้านจิตใจไม่ใช่ว่าเราทำหนึ่งได้หนึ่งทาสองได้สองเราทำแล้วมันให้ผลได้ร้อยเท่าพันทวีสมมติตัวอย่างเช่นอย่างเราเป็นมิจฉาทิฐิมาตลอดพอเราได้รับแสงสว่างแวบเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาเนี่ยมันกลับแทนที่จะตายเป็นขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าหากเรากลับไม่ได้ แป๊บเดียวแทนที่จะเป็นตายได้จากสัมมาทิฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิตายได้หมายความว่าตายทั้งด้านความนึกความคิดเราดูแต่เทวดาที่เข้ามาโมทนาบุญเนี่ยมาโมทนาปับ๊บบุญเข้าถึงจิตใจทําให้เขาได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิทันทีดูที่มันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผลที่ตั้งใจ ทำดีก็ตามตั้งใจทำชั่วก็ตามซึ่งเป็นผลทางด้านจิตใจมันจะใ ห, ให้ผลเกินคาดเกินหมายที่เราคาดเราเดาคิดว่าจะได้เท่านี้แต่กลับโอ้ดูแต่พระโมกขลานะท่านคาดคิดที่ไหนคาดคิดที่ไหนได้ว่าท่านจะต้องถูกเกิดเกิดแล้วถูกเขาฆ่าเกิดแล้วถูกเขาฆ่าห้าร้อยชาติท่านไม่ได้คาดที่ไหนแค่เรา แค่ท่านต้องการกำจัดแม่เพื่อจะได้อยู่กับภรรยาสบายๆแค่นั้นเองดูผลมันเกิดขึ้นนะผลร้อยเท่าพันทวีจริงๆ <c oughs> วันนี้วาระนี้ก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่พวกเราชาววัดชรธรรมมาพร้อมเพียงกันจัดอบรมกันอีกวาระหนึ่ง ในรอบเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งบางคนก็มาในรอบปีก็เข้ามาตรงนี้หลายวาระบางคนก็อาจจะปีละหนึ่งวาระสองวาระถือว่าตรงนี้เป็นศูนย์อบรมเป็นศูนย์ฝึกและก็เท่าที่เราดูมาตลอดเป็นการรักษาระเบียบได้ดีรักษาระเบียบรักษาระเบียบได้ดีนี้ ขึ้นอยู่กับพวกเราตั้งใจช่วยกัน ร, รักษาถ้าหาเราทำทำตามได้แค่เราตั้งอกตั้งใจทาแค่ปฏิญาณตนแค่นี้เราทำได้ตามนี้มันเป็นสัจจะนะอย่าลืมว่าสัจจะนี่แหละมันจะเป็นเครื่องช่วยประกันช่วยประกันช่วยรับประกันทั้งเหตุทั้งผลมันพร้อมใจมันพอใจที่จะทำให้เราสร้างเหตุ จะได้มาซึ่งผลเรื่องผลนั้นเรากะเกณฑ์กันบอกกันไม่ได้ดอกว่าไม่ต้องคาดนะไม่ต้องเดานะด้วยวิสัยของจิตมันชอบคาดชอบเดาไม่ว่าจิตเราจิตท่านเพราะมันมีตัวพลังเหอ่อทะเยอทะยานอยู่ในนั้นความอยากอยากสารพัดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นออยากพบอยากเจอ ความอยากมันดิ้นรนทะยอยอยู่ในหัวใจของเราเราจะห้ามไม่ให้เราคาดเราเดาไม่ได้บางทีเราคิดได้ว่าความคาดความเดาของเรานี้มันก็เป็นกรุทหมายป้ายฐานเหมือนกันทำให้เราต้องเสะต้องกระเสือกกระสนต้องเสาะต้อ ง, สองสแสวงต้องดิน้นต้องรนเพื่อได้ตามผลที่เราคาดเราเดาหมายความว่าเป็นเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราก็พยายามเดินไปให้ถึง ถ้าเราไม่ตั้งเอาไว้เราก็เดินสเปะสปะไม่รู้เดินไปทางไหนทำไมลุ้อ่าเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งสัจจะตั้งสัจจะเราดูแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตั้งสัจจ ะ, ะเนื้อเลือดเหือดเนื้อเลือดอในพระวรกายของพระองค์ทั้งหมด จงเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทียังไม่บรรลุธรรมเพียงใดจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดเนี่ยตั้งสัจจะนี่คือตั้งเป้าเอาไว้เขาเรียกว่าสัจจะธิฐานสัจจะบวกอธิฐานอธิฐานคือความปรารถนาสัจจะก็คือเอาอันนี้มาตั้งเช่นอย่างเนื้อเลือดหัวแท้งไปนี่คือสัจจะเอาสัจจะมาตั้งในคืนวันนั้นในคืนวันเป็นเดือนหนั้น แต่พระองค์ตั้งปุ๊บในเย็นวันนั้นตลอดทั้งคืนนั้นพระองค์ก็พ้นไปเลยได้ไปเลยเราทําอะไรถ้าเราไม่มีเป้าเป้าหมายเอาไว้เราไม่ได้วางแผนเอาไว้เราไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้เราก็เดินไปอย่างสเปะสปะวันนี้เราถือว่าเราตั้งเป้าเอาไว้เหมือนอย่างที่เราตั้งสัตย์อธิษฐานเมื่อกี้เนี่ยอจะตั้งใจปฏิบัติด้วยเรี่ยวแรงสุดฤทธิ์หมดเดช หมดเรี่ยวหมดแรงของเราก็แล้วกันเอาเป็นเอาตายของไข่ของเราของท่านคือของท่านของเราก็คือของเราใครต่อสู้ได้มากน้อยเท่าไรแต่อย่าลืมว่าเพื่อนฝูงเราในช่วยพยุงกันได้การที่เราอยู่ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติเป็นหมู่เป็นฝูงอย่างนี้เนี่ยเราพยุงกันได้การพยุงกันนี้เองเรานั่งนั่งให้มองเห็นกันนี่แหละ มันเป็นเป็นเหตุทําให้เราเอ้ e, เขาทําได้เราก็ต้องทอําได้เราทําได้เขาก็ต้องทําได้เขาอดได้เราก็ต้องอดได้เราอดได้เขาก็ต้องอดได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าหากเราทําไม่ได้เกิดความละอายความละอายก็เป็นแรงกระตุ้นทำให้ทำให้เราได้รับความสังวรสำรวมระวังได้เป็นอย่างดีเหมือนอย่างเหมือนอย่างพระนันทะ ท่านได้บรุษรำเพราะท่านละอายนันทะตั้งใจปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้นางฟ้าโอหมู่เพื่อนคนนั้นได้ยินก็ซุบซิบคนนี้ได้ยินก็ซุบซิบเขาตั้งใจปฏิบัติเพื่อเอามักเอาผลเอานิพานอันนี้ตั้งใจปฏิบัติเพื่ออยากได้นางฟ้าเพราะพระนันทะเนี่ยติดใจนางชนบทกรยาณีพุะติเจ้าล่อพาไปดูนางฟ้าไปเห็นนางฟ้าชั้นสูงสูงอ๊้งามมาก อยากได้อยากได้อยากได้พระพุทธเจ้าเลยให้มันตั้งใจภาวนาเพื่อจะเอานางฟ้ามาให้ <c oughs> ในที่สุดหมู่เพื่อนรู้จักรู้จักว่าตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าเกิดความละอายแก่ใจใจมันถอนออกมาจากนางฟ้าทั้งหมดมาอยู่กับเนื้อกับตัวเน ต, ตอนนี้ตั้งใจปฏิบัติไม่นานได้เป็นพระอรหันติพระนันทะซึ่งเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าต่างมารดานี่เราพูดถึงว่าความละอาย เรานั่งอยู่ในชุมชนหมู่สังคมหมู่มากอย่างนี้ทำให้เรามีความละอายเดี๋ยวนั่งไม่ระวังเนี่ยเคลิมไปพสับงกไปข้างหน้าไงาหลังมาข้างหลังนี่ทำไงอ่ะละอายอ่ะเกิดความละอายความละอายช่วยเราได้ระบบระเบียบมารยาทความประพฤติรวมไปถึงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการ ทำอะไรเป็นการส่วนรวมจึงเป็นเครื่องเครื่องช่วยเสริมให้ชุมชนนั้นๆเป็นระเบียบเรียบร้อยและประสบเป็นไปตามเป้าประสงค์ทุกอย่างทุกประการได้ถ้าหากใครตั้งใจจะรับทานมื้อเดียวไม่ทานสองมือ้อก็นับวดี โดยเฉพาะวัดป่าเรานะคนในวัดป่าเราเนี่ยส่วนมากเราจะทานอาหารมื้อเดียวเรามาอบรมอย่างนี้ถ้าเผื่อเราเอาให้ยิ่งสัหน่อยเรารับทานมื้อเดียวจะทําให้ร่างกายของเราเนี่เบาสบายเราไม่ห่วงไม่กังวลตัดความห่วงตัดความกังวลออกให้หมดร่างกายยังไงยังไงมันก็พอเป็นไปอยู่ได้เหมือนอย่างพระวัดป่าเรา ฉันวันละมื้อวันละมื้อวันละครั้งวันละครั้งนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังอดอีกท้องวันสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันแล้วก็ไปฉันสักวันสองวันอดไปอีกแล้วสองวันสามวันอดไปอีกแล้วท่านก็อยู่ได้สบายทําให้ร่างกายเบาสบายแต่ไม่ได้เอามรักผลจากการอดนะการอดนั้นเป็นการช่วยเสริมทําให้เราภาวนาได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญอัตติกรรมฐานุโยคท่านอดท่านต้องการมรรคผลจากการอดเพื่อเป็นการทรมานร่างกายคิดว่าจะมีแวบเดียวเรื่องอาเรื่องธรรมที่จะทําให้เข้ามาดนใจมาถึงจิตให้จิตได้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นแต่แท้ที่จริงการทรมานกายเป็นอีกทางหนึ่งสายหนึ่งการที่จิตจะได้จะได้รับคุณธรร ม, มตามที่เราหมายเราต้องการนั้น มันเป็นอีกทางหนึ่งมันคนละเส้นแล้วมันคนละเรื่องไปเลยเห็นไหมตั้งใจทรมานกายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งผลที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจมันเป็นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ผลจะเกิดขึ้นจากจากใจทางด้านจิตใจได้อย่างแท้จริงนั้นมันจะต้องทำเหตุที่ใจบำเพ็ญเหตุที่ใจตั้งความเพียรที่ใจ ทรมานที่ใจฝึกฝนอบรมย้อนมาดูที่ใจจึงจะเป็นเหตุให้เราได้รับผลเพราะงานทั้งหมดนี้เป็นงานของใจแม้แต่เราพิจารณาร่างกายก็ตามการตั้งใจพิจารณาร่างกายก็คือเอาใจพิจารณาใจเป็นหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีใจถ้าเราไม่มีใจเราก็เหมือนต้นไม้ใบหญ้า เหมือนก้อนหินก้อนดินเหมือนวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเรามีแต่กล่องสังขารที่ไม่มีนามมีแต่รูปไม่มีความรู้สึกในตัวเองแต่ด้วยเหตุที่เรามีใจมาเกี่ยวข้องด้วยมาอะไรด้วยเราได้ได้ก้อนดินก้อนน้ำก้อนลมก้อนไฟมาคืออัตภาพร่างกายของเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่เขากลายเป็นของกันและกัน ร่างกายเป็นของใจใจเป็นของร่างกายแท้ที่จริงร่างกายเป็นผลิตผลของใจใจได้อาศัยร่างกายอันนี้เป็นขู่หาเราอาศัยร่างกายอันนี้แหละสัตว์ประกอบกรรมกายกรรมไวจีกรรมกายกรรมก็เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งคุณงามความ ific. ดีไวจีกรรมก็เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งคุณงามความดี เราเอากายนี่แหละรักษาสินเอาวายจารักษาสินแต่มันก็มาจากใจเท่งนั้นแหละเพราะเรามีใจเป็นนายเรามีใจหนึ่งเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีแต่กายไม่มีใจมาเกี่ยวข้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนอย่างอสัญญีสัตตานะ่ะอสัญญีสัตตาาว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกมีอยู่ โลกของอสัญญีสัตตาเขาเรียกว่าพรมพระพรมชั้นพรมที่มีแต่รูปไม่มีนามอสัญญีสัตตาบางพวกก็มีแต่นามไม่มีรูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของจิตแต่ไม่มีรูปบางทีก็ไปมีแต่รูปแล้วก็ไม่มีนามอันนี้คือภพภูมิที่เราจะพึงไปได้แต่พวกเราเราได้ร่างกายมาด้วยกันทุกคน มีจิตใจเป็นของกันและกันร่างกายเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่จิตใจของเรามาด้วยบุญด้วยกรรมไปจับไปจองหลังจับจองแล้วของไข่ของเราอยู่เจริญเจ็ดเดือนแปเดือนเก้าเดือนในท้องแม่แล้วก็ออกมาพ่อแม่ให้ทานเราชิ้นแรกคืออัตภาพร่างกายดินน้ำลมไฟสําเร็จเสร็จสับ เกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจกรรมร่างกายของเราของท่านเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทั้งนี้เป็นกรรมที่เกี่ยวข้องผูกพันกับจิตเพราะจิตไปจับจองถ้าจิตไม่ไปจับจองไม่มีจิตไปจับไปจองก็ตกไปแทงออกไปตกออกไปไม่มีผู้ไปจับจองจะไม่มีการเจริญวัฒนาถาวร แต่ด้วยเหตุที่ว่ามีจิตไปจับจองเจริญวัฒนาถาวร อ, ออกมาได้ด้วยเหตุที่ไปอาศัยไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราได้เราสร้างเราทำเราอะไรแค่ไปจับจองเฉยๆร่างกายก็เจริญตามภาวะของความเป็นร่างกายนี่คือความเป็นไปของกายของเราความเป็นไปของใจของเราเนี่ยเรารู้ไม่ได้ ว่าใจของเราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อไร่ตอนไหนเรารู้ไม่ได้แต่หากใจของเราแต่ละคนแต่ละท่านพัฒนาครุกคลีตีโมงมาอยู่อย่างนี้เกิดพบสูงพบต่ําพบหยาบพบละเอียดอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นตราบใดเราได้อัตภาพมีวิญญาณครองมาอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นไปอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากไว้เป็นก้อนหินก้อนดินก็คือหมดสภาพที่เราจะต้องพูดถึงอื ที่เราพูดถึงก็คือเราเอาพู้รู้เราเนี่แหละพูดถึงพูดถึงสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าลองเอาใจเราไปใส่สมมติเราไปเป็นก้อนหินนึบลงไปอยู่ตรงนั้นเราจะเกิดความรู้สึกอะไรเมื่อมันขาดความรู้สึกอะไรไปทั้งหมดอันนี้คือเราคาด เ, าเดาเราหมายไปอย่างนั้นอแท้ที่จริงจิตของเราเนี่ยแหละสามารถดูไปที่กายให้ทะลุผุโปรง่ง คาดเดามาที่กายให้ทะลุผุโปรง่งเข้าถึงหลักหลักธรรมชาติของกายออร่างกายของเรามีหลักธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้หากได้ภาวะความมีความเป็นมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแต่ทําไมเวลาเราโตมาอายุ 10ปี20ปีขึ้นไปยึดแล้วเกินถือแล้วเกินร่างกายของเราอัตราตัวตนของเราโผล่ขึ้นมาแล้วโดยเหตุที่เรายึดอันนี้เองมันเลยเกิดการผูกพันกันแท้ที่จริงร่างกายก็เป็นการผูกพันกันกันกบจิตจิตเมื่อไปผูกพันกับร่างกายใดก็ตามเวลาเขาจะออกจากกันจะออกจากได้ยากมากจะต้องมีกระเสือกกระสนตาเลือกตาลนตาถลนนะ กว่าเขาจะออกไปได้เวลาเขาออกไปออกไปได้ยากแต่ถ้าผู้ตั้งใจมีศีลมีธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมท่านออกไปได้อย่างสะดวกสบายแต่พวกเราไม่มีศีลไม่มีธรมรมดิ้นรนตาเลือกกระเสือกกระสนะกว่าจิตตรงนี้เขาจะออกไปได้ร่างกายจะหมดภาวะด้วยระบบด้วยระบบที่ตีบที่ตันทํางานไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันไม่ได้อยู่อย่างนี้ เราพูดถึงกายของเรากับจิตของเราเป็นเครื่องหมายเครื่องมือทากรรมเพราะฉะนั้นเราพูดถึงกรรมสรุปมาที่กายกรรมวิจีกรรมและกับมนกรรมเรามีกรรมอยู่แค่สามกรรมนี้เองทำไงเรากรรมของเราจะเป็นไปตามปกติศีละศีละแปลว่าศีลทำให้ร่างกายของเราปกติปกติทำให้กายกรรมของเราปกติ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมยิ่งศินแปดที่เรารับไปเมื่อกี้ด้วยแล้วเนี่ยประพฤติอย่างพรหมไม่ประพฤติผิดพรหมจรินสินแปดถือว่าเป็นพรหมจรินนะเราสมท า, านศินแปดถือว่าเราถือสินพรหมจริ์คาว่าพรหมจริคือประพฤติอย่างพรหมพวกพรหมนี่เขาเป็นคนเดียวโดดเดี่ยวเาไม่ไม่มีคู่ ไม่มีคู่ผู้หญิงไม่มีคู่กับผู้ชายผู้ชายไม่มีคู่กับผู้หญิงประพฤติอย่างพระพรหมอะพรามะจริยาไม่ประพฤติผิดพรหมจันทร์อยู่อย่างพรหมผู้หญิงแม้สามีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้สามีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้ละเอียดไหมการที่สามีภรรยาเกี่ยวข้องกันไม่ได้ทารุณไหมแต่ถ้าหากเราเอากิเลสตัณหามานํามาเป็นแนวหน้า เราถือว่ารุนแรงเราถือว่าทารุณแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะปลดจะปล่อยจะละจะวางสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกเป็นวิธีการที่เป็นไปได้แต่มันมีวิธีการที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อละเพื่อลดเพื่อปล่อยเพื่อวางได้โดยเหตุที่เรามีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติในหัวใจของเราคือสติธรรมสัมชัญยธรรมรวมกันเป็นปัญญาธรรมสติสมาธิ ปัญญาขันติวิริยะอุตสาหะ ต, ต, มมาตั้งใจกล่อมมาตั้งใจกาหนดจดจ่อจ้องมาเพื่อทำให้จิตคือผู้รู้ของเราเนี่โดดเด่นขึ้นมาเราจะทำให้ผู้รู้ของเราเนี่โดดเด่นขึ้นมาได้เราต้องตั้งใจภาวนาโดยเฉพาะการเข้ามาอบรมนี้หมายความว่าเรามาได้ยินได้ฟังทุกอย่างทั้งพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องกายกรรม ทั้งพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องไหวจีกรรมทั้งพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องมโนกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทั้งนี้เราเอาอะไรมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่เราจะถือตามได้ประพฤติตามได้ปฏิบัติตามได้เรามากําหนดมาที่กายกรรมที่ไหวจีกรรมที่มโนกรรมโดยเหตุที่พฤติกรรมกายกรรมไหวจีกรรมมโนกรรมนี้เองทําให้ภพภูมิของเราไม่อยู่เท่าเดิมทําให้ ทำให้ความเป็นไปของจิตของเราแต่ละวันแต่ละวันไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนดีเป็นร้ายเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนดีเป็นร้ายเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนดีดีดีดีดีดีร้ายร้ายร้ายรดีดีดีดีดีบางีก็ร้ายร้ายร้ายร้ายร้ายดีแล้วร้ายร้ายรมันทําไปอย่างนี้อ่ะมันไม่สม่ําเสมอเราถือว่าทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่มีอะไรทําได้เหมือนเดิมเท่าเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนไปจากภาวะเดิม เราดูสภาวะเหล่านี้และเราเห็นลักษณะของทุกขังที่มีอยู่ในสังขารกองสังขารของเราเราดูไปที่นามธรรมเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นกองสังขารของเราที่เปลี่ยนไปไม่อยู่เท่าเดิมเราจึงประสบสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างอยู่อย่างนี้แหละตอนเช้ามีความอยู่ดีมีสุขตอนสายมาทุกเร่าร้อนเพราะอารมณ์ที่มันจอมาอารมณ์ของเราเนี่แหละมันไม่อยู่เท่าเดิม โดดไปนู้นโดดมานี้ดิ้นไปนู้นดิ้นไปนี้บางทีก็คิดหรือจะก็เสียกสนทรหนักไปในอำนาจของตัณหาตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความทะยอทยานระดูไปที่ใจของเราเราเห็นตัณหามันอยากมันดิ้นรนยากสารพัด ท, ทุกอย่างอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากรู้สรพัดขึ้นชื่อว่าตัณหาที่มันมีอยู่ในหัวใจของเรา อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากปฏิบัติอยากได้อยากมีความอยากนี่แหละถ้าเรามาตั้งกาหนดจดจ่อดูโอ้อยากเป็นศีลเป็นธรรมหรืออยากเป็นกิเลสเนี่ยมันมีข้อแยกแยะอีกนะถ้าอยากเป็นศีลเป็นธรรมอยากตั้งใจปฏิบัติอยากให้ทานอยากตั้งใจรักษาศีลอยากประพฤติธรรมอยากปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องของมร อยากได้มรรคอยากได้ผลอยากได้นิพพานอันนี้เป็นเรื่องของมรรคให้เราตั้งใจส่งเสริมให้เราตั้งใจสนับสนุนแล้วก็อบรมเอาไว้พยายามยึดเอาไว้นี่คือความอยากอันนี้นะเกิดขึ้นในใจดวงเดียวนั่นแหละมันจะสลับเปลี่ยนกับความอยากที่เป็นไปนตามหน้าของกิเลสเพราะกิเลสคือตัณหามันยังมีพลังอยู่ในหัวใจของเรามันจะกระซิบกระซาบดึงไปเพื่อจะเป็นพลังของไข่ของเราถ้าเราตั้งใจปฏิบัติด้วยแล้ว ทำเขาพยายามดึงมาเพื่อพลังของธรำกิเลสมักพยายามาเสืร์กสนดึงไปเพื่อพลังของกิเลสต่างเป็นสมักพักพวกต่างเป็นวิบากกรรมของไข่ของเรากิเลส ด, ดึงไปมากกิเลสก็มีผลรายได้มากกว่าถ้าธรรมดึงไปมากทำก็มีผลรายได้มากกว่าถ้าหากใครอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอย่างเดียวเช่นอย่างยืนเดินนั่งนอนเจริญมหัศติ อยู่กับบทพุทโธพุทโธพุทโธเป็นการปลุกสติอย่าลืมว่าพุทโธนี้คือปลุกสติปลุกสติก็คือปลุกจิตปลุกจิตก็คือปลุกสติใช้ความดําริพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราอยู่ด้วยไอจินกรรมแบบนี้ท่านเรียกว่าเราสร้างพื้นฐานของธรรมมันเป็นการสร้างธรรมการสร้างนั่นแหละเป็นกรรมกิริยาที่เราทํานั่นแหละเป็นกรรม กิรยิรยาที่เราดำริพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนั่นแหละเป็นกรรมที่เธอเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมที่เป็นธรรมธรรมกรรมวิบากผล ไ, ได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดแต่ถ้าหากเราไม่ดำริเรื่องธรรมกิเลสมันนึกคิดโดยหลักธรรมชาติของมันเพราะกิเลสมันปนเปื้อนมากับจิตของเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะไม่เกิด พราะผู้ไม่มีกิเลสนั้นคือผู้ไม่มีเพราะไม่มีชาติไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานหมดเชื้อที่จะมาเกิดหมายความว่าเราปฏิเสธมันได้เรามีกิเลสเพราะฉะนั้กกิเลสเนี่ยมันจะคอยให้ทุกข์ให้โทษพาเรานึกพาเราคิดตามหลักธรรมชาติของมันถ้าหากเราไม่เอาจิตของเราไปทำํทำรมไปประกอบธทรมมันเอามาประกอบกิเลสมันนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียด นึกอิจาทิศเสียพยาบาทจองล่างจองผลานจองเวรจองกรรมสารพัดปัญหาราคะความอยากอย่างอิจระเสรีถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยถ้าเราปล่อยตามหลักธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ผลรายได้มันเป็นเรื่องของมันวิบากกรรมเป็นเรื่องของมันเรามาตั้งประเด็นสองประเด็นนี้ว่าในใจของเรานั้นมีพลังของธรรมและมีพลังของกิเลสถ้าเราส่งเสริมกิเลส ผลรายไ ด, ได้ทั้งวันคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสตัณหากิเลสกิเล ส, เลสนี้ตามศัพท์ตัวนี้แปลว่าจิตใจที่เศร้าหมองความเศร้าหมองของใจท่าเรียกว่ากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองของใจอันเกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความอิจฉาทิ่ยาพยาบาทตัณหาราคะสิ่งเหล่านี้ทําให้สภาพจิตใจของเราเศร้าหมองแต่ถ้าเป็นเรื่องของธทรทำทำท ำ, ทำ คือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติในตัวของตัวมันเองเช่นอย่างจิตของเราดิ้นรนทะเยอทะยานก็เป็นลักษณะธรรมะดิ้นรนทะเยอทะยานเราพยายามสงบระงับให้จิตสงบนิ่งจิตก็เป็นธรรมะผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมในขณะเดียวกันผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสเราหาหิว้วคลังสองคลังกิเลสกับคลังธรรมนี่แหละไปด้วยกันเพราะเราตัดมันยังไม่ได้ ตราบใดที่เราเพิ่มธรรมะมากขึ้นกิเลสมันก็ตามเราไม่ทันตราบใดที่เราหย่อนยานเรื่องธรรมเราก็ตามกิเลสไม่ทันเพราะกิเลสมันรุนแรงโดยหลักธรรมชาติของมันเพราะไม่รู้กี่กับการปุรชาตมาแล้วเราปล่อยเราไม่เคยฝึกฝนอบรมกิเลสเหล่านี้ก็ก่กอร่างสร้างตัวจนเหนียวแน่นมั่นคงแค่อัตภาพที่เราได้มานี้แค่เรายึดถือว่ากายเรากายของของเราอัตตาตัวตนของเราแค่นี้ พุทธเจ้ท่านบอกว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราพยายามดูเพื่อจะให้เห็นตามพระองค์หเห็นได้ง่ายไหมมันไม่ง่ายเลยความรู้สึกว่าไม่ใช่เราถ้าเราไม่มีช่องทางปฏิบัติกว่าจะเกิดขึ้นนี่มันยากมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติการที่เราสามารถตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาวดัดแปลงให้เป็นไปได้นั้นจะต้องตั้งใจ ต, งตั้งออกตั้งใจทําอย่างยิ่งยวดถึงจะเป็นไปได้ไม่งั้นมันเปลี่ยนไปไม่ได้ วันนี้พวกเรามาเริ่มมาประเดิมมาปฐมนิเทศามาสมทานศิลแปดมาสมทานศินแปดมาตั้งสัจจาทิฐานมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เพราะฉะนั้นเวลาเดินนานๆปวดเมื่อยเวลานั่งนานๆเจ็บปวดทุกขเวทนาตรงนั้นตรงนี้ยกถอยพระพุทธเจ้าไปเลยนะ เราถวายท่านไปแล้วถวายท่านให้จริงๆกันแล้วกันนะ <laughs> ถวายท่านไปแล้วถวายท่านไปแล้วถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วโอ๋ยขอสมบัติส่วนนี้อขอสมบัติของลูกส่วนนี้ได้กลายเป็นมหาสมบัติบูชาบุญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเถิดอกตั้งใจเสียสละว <laughs> ขบเคี้ยว รับตาน้ำตาร่วงอะไรก็แล้วแต่นั่งทนเจ็บทนปวดตั้งความอดตั้งความทนตั้งวิริยะอุตสาหะเราข้ามขั้นวิกฤตไปช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราเห็นว่าวิกฤตที่สุดในความอดความทนของเราข้ามลองข้ามไอจุดที่เด่นที่สุดตอนนั้นไปสักระยะหนึ่งข้ามไปได้สักขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ย โอ้ได้กำลังมากมายมหาศาลในหวัวใจของเราอืถ้าไมอุตสาพยายามถึงขนาดนี้เราก็ไม่ได้ขนาดนี้เอาขนาดไหนอ่ะพระมหาชนกนะี่ยว่ายน้ําในทะเลเนะี่ยมองไม่เห็นฝั่งดอกไม่มีหวังที่จะถึงฝั่งอืนางเทพิดา ถ, ถามทําไมท่านว่ายทาไมไปถึงไหนไหนฝั่งที่ท่านจะขึ้นไม่มีฝั่งถึงขบไปเจ้าจะตายก็ขอขบไปเจ้าตายด้วยความเพียร หูฟังแล้วเป็นไงสะดุ้งถึงใจสมัยพุทธเจ้าท่านเป็นพระมหาชนกดูสินี่คือความเพียรพยายามด้วยเรี่ยวแรงด้วยความเพียรพยายามในที่สุดในตำนานก็ถือว่าท่านได้ถึงฝั่งได้ถึงฝั่งได้ไปเป็นพระราชาปกครองเมืองอีกงี้ยไปดูในตำนานเราก็ดูนานแล้วเราลืมหมดแล้วมหาชนกไปดู นี่ดูด้วยความบากบันต่อสู้ด้วยเรี่ยวแรงเนี่ยพอหลุดนั้นไปแล้วหลุดขั้นวิกฤตหนักหนาสาหัสหไปมันถึงจะถึงจะถึงขั้นเบาสบายปลอดโปรง่งสมความตั้งอกตั้งใจเพราะฉะนั้นพวกเราทำอะไรเราต้องอดท้องทนต้องฝ่าสงฝืนทั้งนั้นเพราะการอดการทนทั้งนี้ ทำให้เราได้เมตตาทำให้เราได้ลาภทำให้เราได้ยศทำให้เราได้ความสุขโดยเหตุที่เราอดทนเราสามารถลดละหลีเลี่ยงจากสิ่งที่จะเป็นเหตุให้ขัดข้องหมองใจของตัวเราเองกับคนอื่นกับคนอื่นหรือกับใจของใจเราเองสามารถลด ละหลีกเรื่องสิ่งเหล่านี้ได้ตั้งความอดความทนถือมั่นในธรรมไม่ปล่อยธรรมมือจับกรรมเอาไว้กรรมเรื่องศีลเรื่องธรรมเอาไว้ไม่ปล่อยอาศัยความอดความทนอดทนอย่างยิ่งที่เขาเรียกว่าทนเจ็บใจอทนแดดทนฝนท น, ทนหนักทนเแบาบทนหิวทนกระหายนี่ทน่นว่ายังพอทําเนาคนเราที่จะฆ่ากันได้เนี่ยทนความเจ็บใจไม่ได้แต่ถ้าอดทนไปสักหน่อยหนึ่งอ่าโอ้ เมื่อนอย่างพระโมคคลลนะถ้าทนให้เลยช่วงนั้นไปสักหน่อยหนึ่งท่านก็ไม่ต้องไปฆ่ามารดาของท่านไม่ต้องมารับบ า, าปภาพกรรมถึงห้าร้อยชาติอันนี้เป็นอดีตรกรรมที่เราเอายกมาพอเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ยินได้ฟังว่าผลกรรมนั้นมีอยู่จริงเพราะผลกรรมนั้นเป็นเรื่องของหลักธรรมชาติผลกรรมนั้นเป็นเรื่องของหลักธรรมชาติมันเป็นผลสะท้อนมาที่จิตผู้เขาทำทำไมเราทําไปแล้วทําไมกรรมมันถึงตามสนองกรรมได้เห็น เขาบอกว่าเราทำกรรมใดหนักก็ตามเบาก็ตามทำลงไปแล้วก็จะลบไปอยู่ที่ไหนกรร ม, ก, มก็ตามให้ผลได้ลบไปอยู่ท่ามกลางก้นทะเลมหาสมุทรกรรมก็ตามไปเล่นงานได้มันตามมันตามไปกับอะไรแท้ที่จริงผลกรรมเหล่านี้ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากจิตของเรานั่นเองตอนที่เราสร้างเหตุของมันเนี่ยมันก็สะท้อนมาที่ผลเราสร้างเหตุที่ใจพับ มาสะท้อนมาที่ผลผลเหล่านั้นถ้าหากมันให้ให้ให้ผลยังไม่หมดในอัตภาพเดียวเพราะจิตของคนเรามันไม่ตายอ่ะเวลาตายร่างกายตายนะจิตไม่ตายนะจิตไม่ได้ตายจิตของคนเราเนี่ยพอร่างกายเราตายปั๊บจิตล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่เนี่ยนั่น่ะผู้ที่ทำให้เกิดกรรมให้เกิดกิริยาให้เกิดสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาก็คือผลจากการที่จิตดวงนั้นทา ปฏิกิริยาตัวนี้แหละคือหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่คอยตามเล่นงานของจิตดวงนั้นในคราวต่อๆไปที่เขาเรียกว่ากรรมให้ผลกรรมให้ผลเนี่ยพวกเราฟังแล้วเราเข้าใจยากแต่หากเราตั้งใจภาวนาตั้งใจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแท้จริงแล้วเราจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาเองว่าโอ้กรรมทั้งหลายทั้งพวกเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการปฏิกิริยาของจิตของเราเอง เพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามเราเห็นหมดไปเกิดในนรกนั่นกรรมมันดึงและมันลากเราไปในนรกแล้วเราตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจทําที่รับที่แจ้งใครรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามตายแล้วเราไปเกิดบนสวรรค์นู่นกรรมสะท้อนไปบนสวรรค์เพราะการบุกบั่นสร้างคุณงามความดีนั้นมันเป็นแรงของธรรมชาติมันเป็นหลักของธรรมชาติที่เขาเรียกว่าบุญบุญคือความดีแต่ถ้าเอาไปสร้างความไม่ดีเขาเรียกว่าบาปบาป บุญให้ความสุขความเจริญให้พบภูมิที่ดีกว่าละเอียดกว่าพระนิคกว่าบาปให้ความทุกข์ยากลำบากให้เราไปเกิดในภพชาติที่หยาบชาธารุณทุกทรมานนูนกลบึงอเวจีมหนรกไม่เว้นจากเสียงร้องให้คร่ำครวญเสียงครวญครางอเวจีอเวจีไม่เว้นจากเสียงเสียงทุกข์ระงมของสัตว์ ที่ตกนรกนั่นทําไมให้ผลถึงมากมายมหาศาลถึงขนาดนั้นนะเอาเวจีมหนรกข้าบิดาข้ามารดาข้าพระอาหารหันต์ทำโลหิตุบาทเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยทำโลหิตุบาทด้วยแล้วก็แยกสงด้วยตายไปแล้วอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมต้องไปเกิดในอเวจีอย่ยางเดียว ไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างนั้นนะตายปั๊บตกปุ๊บล้วไปเลยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเกิดบนสวรรค์ขั้นไปเกิดชั้นน้นชั้นนี้ขั้นไปนรกอเวุจีอย่างเดียวที่ท่านเรียกว่าอนันตรกรรมอนันตริยกรรมไม่มีระหว่างกรรมที่ให้ผลไม่มีระหว่างไม่มีกรรมอื่นมาให้ผลในระหว่างล้วไปตกที่นั่นเลยโอ้โกว่าจะพัฒนามา กว่าจะเต็มรอบแนวเวจีกว่าจะโผล่ขึ j aja, j sing, eta, ้นมาขมนั่นขม่นั้นขม่นั่นกว่าจะโผล่ขึ้นมาพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็ยังทรงทำนายว่าด้วยเหตุที่พระเทวทัตกลับใจหมดตัวเลยพระเทวทัตตามล้างพระพุทธเจ้าทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีสาสมไม่มีสมใจไม่มีชนะสักอย่างสักเรื่องในที่สุดพระเทวทัตต้องยอมกลับใจยอมตามพระพุทธเจ้ายอมซีโรราบพราะงั้นไม่มีอะไรที่จะมอบอ่า มอบเป็นประจักษ์พยานเพื่อด้วยด้วยที่เจ้าของนี่ยอมรับพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก ม, มอบคางกันไกลถวายคางกันไกลนะพุทธเจ้าจึงพระองค์จึงส่งเล่งอานาคาตังสายานไปโอ้จากนี้ไปเท่านั้นกับเท่านั้นกับเท่านั้นกับพระเถยวทัดจะได้เมาบัตเป็นปัจเจกพุท ธ, ธชื่อว่าอัดอัดอัดอัดทิศาระอัดทิสาระ มีกระดูกเป็นสาระพระเอากระดูกนี่มอบถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาตลอดกี่กับกี่กันม า, าสี่อสองไขยแสนมหากับเกิดมาพบไหนชาติไหนเป็นผู้ร้ายกับพระเอกเอาตามต้อยต่ยตยกันมาทุกภพทุกชาติพระเทวทัศ ก, กับพระพุทธเจ้าแล้วดูที่ไอ้กรรมแค่จิตมันผูกพันแค่นั้นเองเนี่ยขอจองล่างจองสานไปทุกภพทุกชาติ พอชาติสุดท้ายตามพระพุทธยามันไม่ทันแล้วพระองค์นิพพานไปแล้วเนี่ยตามพุทธเจ้าตามไม่ทันไปแล้วเจ้าของไม่มีได้ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่เคยชนะอะไรสักอย่างหนสุขยอบสิโรราบเนี่ยหนทางที่จะเป็นไปได้คือหนทางของพุท ธ, ธะเท่านั้นเองหนทางที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อร่ําเพื่อรวยเพื่อมั่งเพื่อมีเพื่อสักเพื่อสีเพื่อยศเพื่อเกียรติแต่บางทีไม่เป็นไปตามศีลตามธรรม ทำให้เป็นการสร้างบา ร, รมีของพย ม, มานไม่เป็นการสร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพุท ธ, ธการสร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพุท ธ, ธมีแต่เสียสละกับเสียสละไม่มีความเห็นแก่ตัวเราดูพระพุทธเจ้าที่ท่านเสียสละน่ยทานบา ร, รมีทานอุปบา ร, รมีทานปรามัตถบา ร, รมีให้สิ่งของจนหมดเนื้อหมดตัวให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานนะอันนี้คือพุท ธ, ธ เพราะฉะันบารมีละเอียดลึ ก, ลกถึงขนาดนี้แล้วสามารถทะลุทะลวงไปได้แต่ตรงกันข้ามมีกรอบก่อยเข้ามากอบก่อยเข้ามากรอบก่อยเข้ามาทําไมก็ถามแล้วก็ตอบไม่ได้อะมาทําไมมากมายมหาศาลตอบไม่ได้อืร่ารวยเท่านั้นร่ารวยท่านีน้ไม่มีพอไม่มีแบ่งไม่มีปันขอให้เป็นสมบัติของเจ้าของอามาเน่าทิ้งอามาเปื่อยทิ้งอามาโผลทิ้งอามาอะไรทิ้งก็ช่างขอให้เป็นของของเรา แต่พุทธเจ้าท่านเห็นตรงกันข้ามว่าโอ้อนุนเอาไปแบ่งปันคนนั้นใช้อันนี้เอาไปแบ่งปันคน น, น, น, น, นี้ใช้กลายเป็นว่าพระองค์ทะลุไปได้นี่คือคุณงามความดีท่านไม่ประมาทสิ่งละอันพันละน้อยขอให้เราทำให้ถูกต้องตามหลักของศีลของธรรมจะเป็นเครื่องช่วยเหลือจุนเจือเสริมสร้างคุณงามความดีทำให้บรารมีของเราเนี่ยเต็มตื้นขึ้นมาพวกเราตั้งอกตั้งใจ จากนี้ไปสามวันสองคืนสามวันสองคืนนี้เรามีเวลาตั้งเท่าไหร่หกสิบกว่าชั่วโมงอ่ะหกสิบกว่าชั่วโมงขอยเราถือว่าการที่เรามาเข้าคัดปฏิบัติในครั้งนี้เป็นอนุสอ์ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาทําได้ไง่ายๆและการที่เราตกลงปลงใจที่จะมาสร้างมาทําได้อย่างนี้ มันจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายบางคนอยากทำจะเป็นจะตายไม่มีเวลาทำต้องกระเสือกกระสนธรรมากินทุกอย่างลำบากอยู่นั่นแหละไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเลยดีไม่ดีความชั่วร้ายของตันหาราคาในหัวใจของเรามันดึงออกเราออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปหมดปิดบางช่องทางปิดบางโอกาสบางคนถึงขั้นว่ามิจฉาทิฐิหมดทั้งดวงคอยได้คอยได้คอยได้แต่เวลาโทษตามตามทัน ก็ไม่มีใครเราอะไรเป็นคนไปรับเพราะฉะนั้นภพชาของเราจริงลุ่มลุ่มนนดอนขึ้นสูงขึ้นตามขึ้นลุ่มลุ่มนนดอนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นตราบใดที่เราไม่เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเรารู้สึกมันติบตันไปหมดแหละยิ่งกับบางกลับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไพบัตด้วยแล้วพวกเราเป็นอยู่ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่จะเรียกว่ามิคสัญญีมิคสัญจีมิขสัญญีสําคัญว่าเป็นสัตว์อ่า มีกสัญญีสําคัญว่าเป็นสัตว์เห็นกันก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรมนุษย์สามารถฆ่าแกงกันได้แล้วะหาความสุขความเจริญที่ไหนแต่ในบรรดามนุษย์เหล่านั้นผู้มีศีลมีธรรมก็มีแม้แต่บางช่วงในหัวใจของเราบางครั้งความเป็นศีลเป็นธรรมก็มีขอให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์จะต้องมีศีลมีธรรมติดเนื้อติดตัวมาด้วยแต่ว่าด้วยเหตุที่เราไปเกิดเป็นสัตว์นู่นสัตว์นี้สัตว์นรกที่นู่นที่นี่ มันเป็นพบชาติที่เราไปเสวยกรรมแต่ความดีคุณงามความดีปางหลังยังมีอยู่พอเวลาไปเสวยเสร็จแล้วอา้าวถึงวาระคุณงามความดีให้ผลขยับขึ้นมาตื้นเขินขึ้นมามันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนัวัตฏะสงสารของผู้ไม่เห็นสัจธรรมจึงเป็นวัตฏะสงสารที่ยืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบการที่เราตั้งใจปฏิบัตินี่เองจะเป็นเหตุให้เรา ได้พบได้ประสบพบเห็นสักจะสักจะทำอย่างน้อยอันนี้จังทุกขังอนัตตาแวบๆบแวบๆบแวบๆบแบบแบบในหัวใจของเราก็ยังดีดีกว่าเราไม่เคยสนใจทุกสมุทัยนิโรธมักซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติเป็นวงในที่เราจะเข้าไปถึงเพื่อตั้งใจที่จะไปปฏิบัติคลี่คลายให้เราได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอนนี้จังทุกขังอนัตตาจึงเป็นหลักใหญ่ ที่เราเราควรมองและตั้งใจศึกษาตามพระพุติตามปฏิบัติตามด้วยเรี่ยวแรงของเร า, เอาขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจขอให้ เ, เราเพวกเราภาคภูมิใจและยึดมั่นในคำตั้งสัจจาทิฐา น, น, าานเพื่อเป็นบุญญาบรมีขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยการทุกๆ ท, ท่านทุกคนอพอเท่านี้ก่อนสาธุ กลับเรียนเชิญท่านกลาบพระแม่ครูอาจารย์นะ